ร่างกายมีโรคภัยเบียดเบียนทำให้กระสับกระส่ายทำให้ร่างกายนี้เป็นปกติอยู่ไม่ได้นั่นเรียกว่าทุกข์กายทุกขงังแปลว่าทนได้ยากทนลำบากทนอยู่ไม่ได้ มันก็หมายสงว่ามันแ ป, ปรปวนแจกดับลงไปนั่นแหละเดี๋ยวมันทนอยู่ไม่ได้ร่างกายอันเนี้ยจิตใจเมื่อปล่อยให้มันเป็นทุกข์วขามาเข้าไปมันก็เที่ยวไปเกาะนูน่นพองนี่อยู่ในโลกสงสารเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่รู้จักคนทางดับทุกข์ ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเป็นทุกข์มาแล้วก็ทรงใจคิดไปทั่วมีตกวิจารไปทั่วบางลายมันก็อิตกวิจารไปจนเหนื่อยอ่อนแล้วมันก็นหายไปเองมันบางลายมันไม่หายกุมใจอย่างแรงอยู่ กินก็ไม่ได้นอนก็ไม่รับกระสับกระส่ายพรามแค้นี่เนี่ยมันฆ่าตัวตายเมื่อไม่มีอุบายระ ง, งับความทุกข์ทางใจได้ก็ถือว่าอยู่ในโลกนี่มันลำบากเหลือเกินอย่าอยู่มันเลยอย่าเลยฆ่าตัวตายไปเสีย นึกว่าไปสู่โลกหน้ามันจะสบายมันเข้าใจผิดนี่ไปสู่โลกหน้ามันก็ไปเป็นพุกเดือดร้อนอยู่นั่นแหละเพราะใจดวงเดียวนี่ไม่ใช่มันมีหลายดวงอ่ะถ้าไปเกิดเป็นคนมาอีกกรรมที่ฆ่าตัวตายไป ก, ก่อนตามติดตามมา ได้เวลาแล้วมันก็วันดานให้เกิดความกุ้มใจจนต้อมีทางออกเดียวไปฆ่าตัวตายอีกมันจะมีสุขอะไรแล้วบุคคลฆ่าตัวตายเนี่ยมันมีกรรมตะเวณมันเหมือนกับฆ่าคนอื่นนั่นแหละแต่ฆ่าคนอื่นนั่น คำมันสนองเอากบเป็นเหตุให้คนอื่นมาฆ่าตนเหมือนกันเนี่ยที่ตนฆ่าตัวเองนี่ไม่มีใครมาฆ่านี่ตัวเองก็ฆ่าตัวเองลงไปเนี่ยขึ้นชื่อว่าจ <c oughs> ิตใจนี้ถ้าปล่อยเป็นพุกเดือดร้อนม า, มากเขาแล้วมันคิดไปในทางอากุศล ไม่เป็นวันทางแห่งความสุขเลยอันบุคคลจะมีความสุขได้ก็เพราะมารักษาใจตวงนี้แหละให้มันตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในธรรมตั้งมั่นอยู่ในศีลทางกายทางวาจาก็ไม่ร่วขงพุทธบัญญัติอันนี้มันก็เป็นความสุขขั้นหนึ่ง บุคคลผู้ไม่มีบาปอยู่ในกายอยู่ในวาจายอยู่ในใจแล้วมันก็มีความสุขขั้นหนึ่งอยู่แล้วแต่สุขขั้นนี้ก็ยังไม่พอเรต้องเจริญสมาธิสมถะภาวนาเข้าไปเพ่งใจให้เข้าถึงความสงบให้นิวรณะธรรมทั้งห้านั่นมันระ ง, งับตับไป ใจรวมลงเป็นหนึ่งอันนี้ยิ่งมีความสุขมากกว่านั้นอีกอ ม, มีความสุขมากกว่ารักษาศีล น, นั่นอีกแต่ว่าอันนี้สงแห่งการรักษาศีลมันก็หนุนให้จิตใจสงบเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าศีลมันก็มารวมอยู่ที่จิตสงบนั่นแหละปัญญามันก็เกิดจาก จิตที่สงบจากนิวรทั้งห้านั้นเองดังนั้นน่ะจิตนี้จึงชื่อว่าเป็นใหญ่เป็นประธานกลัวทาทั้งหลายทาทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นจากจิตนี้โดยตรงทาที่เป็นอกุศลก็ดีเป็นกุศลก็ดี ย่อมมีจิตนี้เป็นผู้สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนะี่ยใหพึ่งพากันเข้าใจไม่ใช่มันมาเองนะมาบุนะถ้าใจไม่คิดไม่ดำริขึ้นแล้วไม่มีแต่ว่าจิตนี้ก็ต้องอาศัยร่างกาย นี่แหละมันยังคิดไปในทางบุญทางบาปได้ถ้ามีแต่ลำพังขีดนี่มันไปทำบุญทาบาปอะไรไม่ได้เลยต้องพิจารณาดูดังนั้นเนี่ยการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่พระศาสดาจึงทรงสอนให้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจ ไปพร้อมๆกันเลยก็มันเนื่องกันและยังสอนในสำรวมตาหูจมกูกเ้นกายใจเข้าไปอิบเพราะว่าตาเป็นต้นเหล่านี้ถ้าเมื่อไม่สำรวมไม่พิจารณาจิตมันก็หลงไปตามตาเหมือนกันเห็นตาไปเห็นรูปต่างๆอย่างนี้นะ ถ้าเป็นลูกถวยโรงงานจิตก็หลงไปรักหลงใครไปตามเนียมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นลูกขี้ร้ยรายใจนเนี่ก็เกลียดชังไม่ต้องการนั่นแหละจึงว่าพระศาสรา จ, จึงสอนให้สำรวมตาหูจมูกเ้นกายใจเข้าด้วย จรวมทำยังไงก็ตาเห็นรูปก็ให้มีสติรู้เท่ารูปที่เห็นนั้นรู้เท่าตาด้วยรู้เท่าวิญญาณความรู้สึกในรูปนั้นวิญญาณความรู้สึกถ้าไม่รู้เท่าผมก็หลงอีกเขามารูว่ารูปนั้นสวยงามอย่างนี้นะถ้าไม่มีวิญญาณรู้ว่ารูปนั้นสวยงาม มันจิตมันก็ไม่ไปรักไปใครเลยอันนี้มันรู้ว่ารูปนั้นสวยงามอย่างนี้นะนั่นแหละเมื่อเรากำหนดรู้เท่าทั้งตาทั้งรูปทั้งวิญญาณรู้เรื่องของรูปนั้นๆก็สักแต่ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยอย่างงี้จิตมันก็ไม่หลงไปตาม ตาที่เห็นรูปนั้นเราต้องศึกษาสำเนียกให้ดีอย่าไปนิ่งเฉยอยู่การภาวนาก็ต้องทำใจสงบแล้วก็วิธีใช้เรื่องมุลนี่แหละอย่าไปนิยติใช้เรื่องอื่นเรื่องอวัยวะร่างกายเนี่ยเรื่องรูปกับน้ำเนี่ยสำคัญมาก เพราะจิตมันหลงอยู่ในรูปในนามนี่แหละมันถึงหลงไปในเรื่องอื่นๆเราให้เข้าใจอย่างนั้นแต่นั้นเมื่อยังไม่รู้แจ้งในนามในรูปนี่ตามเป็นจริงเราก็ไม่พิจารณาเรื่องอื่นก็พยายามทําใจสงบแล้วเพ่งอยู่ในรูปธรรมนามธรรมานี่ทําไมหนอจิตใจมันยังผูกพันตั้งน้า มันยังสำคัญเราเป็นเราเป็นของของเรารูปกายอันนี้นะมันเป็นยังไงมันสวยงามจริงหรือหรือมันเป็นแต่เพียงแค่สมมุติเฉยๆก็พิจารณาให้มันรู้อเมือ่อเราเพ่งดูให้ละเอียดถี่้วนลงไปแล้วมันก็เป็นเพียงแค่สมมติเท่านั้นแหละ สมมติว่าตาว่าหูว่าจมูกว่าริ้นว่ากายว่าใจสมมติว่าการเอาทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่ามันเกิดเองมันเป็นเองไอชื่อต่าง ๆ, งๆงนี้คนนี่แหละสมมติขึ้นมาแต่ภาษามันก็ต่างกัน ภาษาบาลีท่านเรียกว่าแคุภาษาไทยเรียกว่าตาทีนี้ภาษาอื่นเขาจะเรียกยางไรก็ไม่รู้หลื ม, มันก็สมมุติตามภาษาของตนนั้นแหละดังนั้นเนี่ยต้องให้ปีนิจใจให้มันรู้ว่าเป็นในเพียงสมมุติเท่านั้น ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆหมดเนี่ยล้วนแต่สมมุติว่าเอาทั้งนั้นเลยแต่มันก็เป็นสมมุติสั จ, จมันเป็นความจริงอย่างหนึง่งจริงไม่เที่ยงจริงเป็นทุกข์จริงเป็นอนัตตานี่มันจริงต่างกันนะนี่น จริงในพระนิพพานนั้นจริงไม่เปลี่ยนแปลงไม่เคลื่อนไหวคงที่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะให้เพึ่งพิจารณาเทียบเคียงกันความจริงสองอย่างนี้นะบนันฑิตวงจิตมาอาศัยอยู่ในสมมุติบรญญัตอันนี้นะ เรียกว่ามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมเมื่อพิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้วมันจะไม่กำหนดยินดีในรูปในนามนี้เลยเพราะมันเป็นเพียงแค่สมมุติว่ากันเท่านั้นแหละที่จริงเนี่ยไม่ใช่ของเราของเขาอะไรตาหูจมกูกเล่นกายใจหมูเนี่ยนะ แม้แต่ใจก็ไม่ใช่ของเราที่ว่าใจเรา น, นสมมุติเอานี่ก็ดนนีแต่ถ้าเพ่งลงถึงปรมา ธ, ธรรมจริงๆไม่ใช่ของเราจิตอันนี้ก็ดีเอาเป็นของเราที่ไหนมันมีเราอยู่ที่ไหนนั้ น, นทบทวนดู กานี่หรือเป็นเราไม่ใช่อืมใจนี่หรือเป็นเราไม่ใช่ถ้าใจเป็นเราเป็นของของเรามันก็บังคับได้สิมันมันก็ไม่เกิดไม่ดับไม่แปรพรวนไปมันก็ไม่สร้างกิเลสพันห้าตอยตันหาร้อยแปดขึ้นมาถ้าถ้าบังคับได้จริงๆ มันก็มันก็ไม่สร้างน่พะพะกิเลสแล้วนี้มันทำให้คนเราเป็นทุกข์อยู่ในวัฏตะสงสารอันนี้มากมายแต่นี้มันไม่ฟังอ่ะมันบังคับไม่ได้มันจึงสร้างกิเลสตัณหาสารพัดขึ้นในใจตัวเองก็เพราะใจนี้มันหลงอ่ะมันไม่รู้จริงมันถึงได้สร้างกิเลสตัณหาขึ้นมา วันนี้เมื่อได้เกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วได้มาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเข้าไปผึกใจให้มันสงบตั้งมั่นลงไปไม่หวั่นไหวต่ออำนาจฝ่ายต่ำมันกระทบกระทั่งมาฉะนิ้ะกาใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นสิ่งที่ตนอาศัยอยู่นี่นะ ให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงเมื่อเห็นแจ้งตามเป็นจริงก็เห็นมันความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละคาว่าเห็นแจ้งตามเป็นจริงเนะี่ยเพราะความจริงมันมีอย่างนั้นเมื่อเห็นจริงโดยสมมติอย่างนั้นแล้ววันนี้ก็ลอยวางสมมติเหล่านั้นไว้ตามสภาพแล้วจิตรวมลงไปหนึ่งแล้ววันนี้มันก็ จริงในอริยสัจจะในพวกนี้นะนั่น <c oughs> เพราะว่ามันจริงใจแล้วจริงว่าน้ำรูปนี่ควรปล่อยควรวางไม่ควรถือมั่นไว้ขืนถือมั่นมั่นไว้ขืนถือมั่นไว้มันเป็นทุกข์มันเห็นแจ้งอย่างนี้นะมันถึงปล่อยวาง และจิตจึงได้รวมลงเป็นหนึ่งมันนี่มันถึงอริยสั จ, จแปลว่าความจริงอย่างยิ่งความจริงอย่างประเสริฐความจริงอันนี้ไม่ได้อิงอาศัยรูปนามไม่ได้อิงอาศัยอะไรเลยเรียก ว, ว่ามีอันเดียว อย่างนี้มันถึงไม่มีสิ่งกระทบกระทั่งมันจึงไม่เป็นทุกข์เพราะมีอันเดียวไอ้ที่เมื่อจิตมันยึดขันห้าอยู่นี่ก็มันเนื่องกันอยู่เลยเนี่ยจิตกับขันนั่นวะนี้เมื่อรูปธรรมนี่มันแปรปรวนไปมันก็กระทบกระทบกับจิตนั้นจิตก็ทนอยู่ไม่ได้รินรนกระทับกระใม เนี่ยถ้าจิตนี้ยังมาอาศัยอยู่ในรูปนามนี่ตราบใดแล้วจิตนี่ก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะมาอาศัยในของไม่เที่ยงอาศัยอยู่สิ่งที่บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวัง <c oughs> ดังนั้นน่ะเมื่อจิตนี้ยังอาศัยในขันหานี่ตราบใดก็เป็นทุกข์อยู่ตราบนั้นเนี่ย <c oughs> ให้พึงพากันภาวนา พิจารณาให้เข้าใจอย่าไปทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เมินเฉยผู้ดใดเมินเฉยนั่นนะ่ะยิ่งเป็นทุกข์หนักเลยสารพัดเรื่องยุ่งยากอะไรมันประดังประเดยเข้ามาจิตยึดเอาหมดเลยสจเหตุนี่มันจะหนักใจมากเป็นทุกข์หลายนะัึนก็เพาะเนื่องมาแต่มันไม่ปรุงไว้วางขันห้านี่แหละ เมื่อมันยึดขันห้านี่แล้วมันยึดไปหมดเลยบวะนี้เรื่องภายนอกที่ก็ต้อกระทั่งมามันก็ยึดเอาไว้ดีมาก็ยึดเอาไว้ชั่วมาก็ยึดเอาไว้บันนี้ดีกับชั่วมันก็มารบ ก, กันแล้วบวะนี้นะอนี้มันมาทําจิตใจในปวนปั่นนนไว่นอนอย่งบบคิดดีไปอพอคิดดีไปนองไอความชั่วมันก็ไม่ยอม มันก็ผักด่าในคิดทั่วไปอีกแต่ตัวตัวเองตกอยู่ภายใต้อำนาจของความคิดเหล่านี้นะมันถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะมาให้จิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างไรเล่าวัน <c oughs> นี้เมื่อบุคคลมาฝึ ก, กจิตนี้ให้ตั้งมั่นลงไป ด, ด้วยดีดังกล่าวมาแล้วนั่นอย่เรื่องทั่วมา กระทบกระทั่งเขามันก็ไม่ยึดถือเอามันรู้นี่เมื่อไม่ยึดถือแล้วมันก็ดับไปสิ่งต่างๆเมื่อจิตไม่ยึดถือเอาต่านั้นน่ะมันดับไปเองเลยไม่ต้องไปกําหนดใจละมันให้ลําบากละ่ะพอถ้าจิตรู้ว่าอันนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงหรือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องชั่วไม่ควรยึดถือเอาอย่างงี้นะ ถ้ามันรู้อย่างนั้นมันก็ปล่อยวางไม่ยินดีไร้ไปตามเรื่องที่มากระทบกระทั่งนั้นมันก็อยู่ไม่ได้เรื่องต่งตางๆมันก็ดับไปใจก็เป็นปกติอยู่อันนี้แหละจุดประสงค์ของการปฏิบัตินะให้พากันเข้าใจไม่ใช่ว่าจะทำใจให้สงบอยู่ในปัจจุบันนี้ ตอนนี้เมื่อออกจากสมาธิไปแล้วจิตใจก็ยังวนไหวตามอารมณ์ต่างๆอยู่ดังกล่าวมาแล้วนั่ น, น, นมันก็ใช้ไม่ได้มันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรานั่งสมาธิอยู่จิตใจก็สงบอยู่รู้วิธีสำมรวมจิตรู้วิธีพิจารณา ธาตุสี่ขันห้าทั้งอย่างงาบอย่างละเอียดอย่างกลางอะไรก็รู้ตลอดไปหมดเลยอย่างนี้เมื่อเมื่อจิตมันรู้ชัดตามเป็นจริงแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเข้าไปมันยิ่งไม่หวั่นไหวอันนี้นั่นแน่แม้ว่าร่างกายสังขาร น, นามรูปอันนี้มันจะปริบวัดแปรปรวนไปยังไงจิตมันก็ไม่เป็นทุกเดือดร้อนแล้วเพราะมันไม่ถือว่าเป็นของเรา ไม่ถือว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อยังเรือนเป็นที่อาศัยของร่างกายนั่นแหละเรือนนั่นก็จะไม่ใช่ของเราสร้างขึ้นด้วยสัมภาระภายนอกเช่นไม้ต่างๆเป็นต้นอืไม้พวกนั้นไม่ใช่ของใครอีกแหละเนี่ยต้องพิจารณาให้มัน เห็นไปทุกส hey ิ่งทุกอย่างไปเลยเมื t t ่อมันเห็นแจ้งไปหลายอย่างประกอบกันเขาแล้วจิตใจมันก็หายสงสัยนะมันก็เลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายซ้ำเลยเพื่อมันเห็นจริงตามสภาพความจริงแล้วนะก็มันไม่มีอะไรจะให้ยินดียินร้ายนี้ มันจะไปยินดีร้ายทำไมเล่าทำไมถึงว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าสภาวะธาตุทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปรปวนแจกดับลงไปเป็นธาตุอยู่ของเก่าต้นไม้ใบหญา้าคิดดูเมื่อมันร่วงหล่นลงสู่พื้นดินงานเขาขกลายเป็นธาตุดินไปนี่แหละ ร่างกายของคนเราก็เหมือนกันเมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วร่างอันนี้ก็เน่าเปื่อยผุพังเป็นธาตุดินธาตุน้ำไปของเขาถ้าหากว่าเอาไปเผามันก็กลายเป็นธาตุดินไปธาเท่ า, าต่างๆกับกระดูกหมูนั่นมันก็เหลือแต่ธาตุดินเท่านั้นเ้เผาแล้วธาตุน้าก็เหือดแห้งไปแล้วธาตุลมธาตุไฟไปหมดแล้ว ยังเหนือแต่ธาตุดินคือกระดูกคือเท่านั่นแหละนี่ความจริงมันมีอย่างนี้นะแล้วจะให้จิตมันยินดียินร้ายไปทำไมอ่ะนนจิตมันเห็นแจ้งอย่างนี้นะมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันก็เป็นความรู้สึกกลางๆต่ออารมณ์เหล่านี้แต่ละวันแต่ละคืนน่ะ เช่นลูกคนกฤติไคยประดับประดาสวยงามยังไงไงก็ช่างมันก็ไม่หลงเพราะว่าสิ่งที่มาประดับนั่นก็ธาตุดินสร้อยคอตุ่มหูแหวนเพชรนาฬิกาคออะไรหมดนี้ก็ธาตุดินทั้งนั้นเนี่ย <c oughs> ผ้านุ่งผ้าห่มก็ธาตุดิน อย่างนี้นะพีรณาลงให้เห็นเป็นาธาตุดินตามธรรมดาเดียวว่าธรรมดามันก็เป็นาธาตุดินอย่างนั้น่ะจริงๆเลยไม่เป็นอย่างอื่นนี่มันนี้ตลอดถึงอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ทั้งหลายมันก็เป็นาธาตุดินาธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมแต่ ว, ว่ า, าธาตุเหล่านี้นะ่ะเมื่อเวลาร่างกายนี้มันคุมกันอยู่มันก็ยังมีอยู่ แต่ว่าดู้มันจะเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำเท่านั้นแหละคนเราเมื่อตายลงไปแล้วนะจิตออกจากร่างนี้แล้วส่วนธาตุไฟกับธาตุลมหายไปแล้วไม่มีแล้วอยู่ในกายนั่นเนอะเราต้องซอกแจกพิจารณาลงไปในร่างกายให้มันละเอียดถี่ท่วนลงไปอันอย่างนี้แล้วมันก็หายสงสัยแล้ว หายสงสัยในรูปในนามนี่หายยังไงหายสงสัยหายสงสัยว่ารูปนามนี้ไม่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าเกลียดอะไรเลยอืมเป็นอะไรท่านก็เป็นสภาวธาตมตามธรรมดาของมันเท่านั้นเลยจิตก็ไม่เข้าไปยึดถือไม่ไปสําคัญว่าของเราของเขาไม่สําคัญว่าสวยว่า ง, งามอะไร นี่จิตใจมันเมื่อเจริญสมถะอิปัฏนาเพ่งพิจารณาให้มังมากเข้าไปแล้วความจริงมันก็จะปรากฏขึ้นในใจอย่างนี้เนี่ยว่าจิต้ายสงสัยเมื่อได้เพ่งพิจารณาดูถีทั่วแล้วเมื่อมันหายสงสัยแล้วมันก็ปล่อยวางหมายความว่า ลูกรมนามรมนี้ไม่เป็นสิ่งที่ควรยึดถือควรปล่อยควรวางไว้ตามสภาพเมื่อเมื่อวางได้จริงๆใครสนเสริญมาก็ไม่เพลินไปตามเขาใครนินทาว่า้ายมาก็ไม่วันไหวไปตามไม่โกรธไม่เกลียดต่อบุคคลผู้กล่าวคำหยาบโลนต่อตนคูกตนนั่น ถ้าเขาสนับสนุนนินทามาจิตใจมันตั้งมั่นเป็นปกติได้นั่ น, น, นแหละก็แสดงว่ามันไม่ถือขันหา่าวเป็นตัวเป็นตนมันจึงวางลงได้ในเมื่อคำสนับสนุนคำนินทามาถึงเข้าหรือว่าเวลามีความสุขสบายก็ไม่หลงไม่เพลินเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นในกายนี่ จิตใจก็ไม่หลงทุกข์เหล่านั้นไม่โทรมานะครับแค้นเพราะไม่ถือว่าเราเป็นทุกข์กำหนดรู้ว่าร่างกายนีนมันเป็นทุกข์ต่างหากมันมั น, ปมนปแ ป, ปรปลวนไปหาทางแตบกบแตกดับมันไม่ <c oughs> มันไม่คงที่อยู่ได้จิตมารู้ชัดตามเป็นจริงอย่างนี้แหละ มันจึงหายสงสัยเมื่อมาหายสงสัยแล้วก็วางอุบเบกขาลงจิตก็สงบอยู่ น, นั่นเองก็ยับยั้งอยู่ในความสงบนั้นเมื่อรู้จริงเห็นแจ้งล้วก็ยับยั้งอยู่ในความสงบนั้นเนี่ยความสงบอันนี้ทั้งสงบด้วยทั้งรู้ยิ่งด้วยนะ น, นั่นเอ ทั้งหายสงสัยในรูปในนามนี้ด้วยอันนี้เพราะฉะนั้นการฝึกจิตอย่างนี้นะเรียกว่าเราฝึกไม่ให้มันคล้องอยู่ในโลกนี้ถ้าผูใ้ใดเบื่อต่อความมาอยู่ในโลกนี้แล้วก็เอาทีฝึกจิตใจในเข้าไปให้มันปรงมันวางโลกอะไรทั้งหมดเลย มันปรุงมันวางด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเมื่อศีลสมาธิปัญญานี่บังเกิดขึ้นในจิตรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วจิตใจมันก็กล้าหาญเข้มแข็งปล่อยได้วางได้ปล่อยรูปทานามทเนี่ไว้ตามสภาพมันได้เลยวะนี่ จิตใจไม่หลงยินดียินร้ายกับมันเน่ยมันจะเป็นยังไงไปก็แล้วแต่เรื่องมันอันนี้แหละเป็นจุดมุ่งหมายในพระพุทธศาสนาอันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้เพิ่งฝึ ก, กจิตใจของตนให้มันเป็นไปตามนี้ถ้ามันยังหลุดพ้นไม่ได้ก็ให้มันรู้ เรารู้ทางที่ถูกต้องไว้